เป็นเวลาสามปีแล้วนะที่โควิดได้แพร่ระบาดไปทั่วโลกรวมทั้งบ้านเราด้วยตอนนี้ก็คี่ใครไปเยอะแล้วก็มีคนได้ทำการสำรวจศึกษาณนะว่าช่วงสามปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้คนทั้งโลกนี่มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างาเพราะว่ามีกิจกรรมหรือว่ามีเหตุการณ์ หลายอย่างที่เกิดขึ้นมากขึ้นในช่วง3มปีที่ผ่านมาอย่างเช่นการใช้ซูมคนทั่วโลกใช้ซูมในการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นนะจนบริษัทที่ผลิตแอปซูมนี่ก็เรียกว่าร่ำรวยเลยคนดูหนังนะทาง แอปที่ชื่อว่า Netflix กซ์นี่ก็เยอะมากขึ้นเพราะว่าไปดูหนังตามโรงไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรารู้กันนะว่ามันเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากขึ้นแต่มีสิ่งหนึ่งที่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้นะแต่ว่ามันก็เรียกว่าบูมขึ้นมาในช่วง3ามปีที่ผ่านมานีนั่นคือการทําสวนนะ การทำสวนปลูกต้นไม้นี่เขาพบว่าทั่วโลกเลยนะคนนิยมมากขึ้นปลูกกันเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นนะอย่างเห็นได้ชัดนะที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรนะคำตอบแล้วคงจะทราบดีนะเพราะว่าคนเนี่ยมีเวลาว่างมากขึ้นแล้วก็จำนวนไม่น้อยนี่ก็รู้สึกเหงานะเพราะว่าไม่ได้ไป ออกไปเที่ยวออกไปพบป่าผู้คนพบป่าญาติพี่น้องมีเวลามากขึ้นแต่ไม่ค่อยได้ทำอะไรอย่างที่เคยทำเหมือนเมื่อก่อนหลายคนก็เลยนึกถึงการปลูกต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่หน้าบ้านหลังบ้านหรือว่าบนระเบียงเพราะว่าบางคนนี่ก็ไม่มีที่และหลายคนนะเขาก็พบว่า จากเดิมที่ไม่มีอะไรทําปลูกต้นไม้ฆ่าเวลาแก้เหงาแก้เบื่อบอกว่ามันให้อะไรมากกว่าที่คิดนะเขาก็มีการสำรวจนะคนในหลายประเทศเลยว่าช่วงโควิดเนี่ยคนที่ไม่เคยทําสวนไม่เคยปลูกต้นไม้แล้วก็หันมาสนใจทําสวนปลูกต้นไม้หรือคนที่เคยทําอยู่แล้ว แล้วก็ทํามากขึ้นเนี่ยให้เวลากรรมันมากขึ้นนี่เขาได้พบอะไรบ้างเขาบอกมันช่วยทําให้ผ่อนคลายนะผ่อนคลายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พอจ ะ, อะเข้าใจได้นะเพราะว่าพราคนเราเนี่ยถ้าอยู่นิ่งๆเฉยๆเนี่ยมันเครียดบางทีดูหนังมากๆบางทีก็เกิดความเบื่อพอได้มาออกไป ปลูกต้นไม้ทำสวนเลื่เลยในน้อยเนี่ยก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วเขายังพบว่ามันเป็นโอกาสที่จะได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนบ้านกับคนในละแวะกบ้านแต่ก่อนก็ไม่ไห้สนใจเพราะว่าตอนเช้าก็ไปทํางานกว่าจะกลับมาถึงบ้านก็ค่ำต่างคนต่างอยู่แต่พอ ริมปลูกต้นไม้มันก็มีเรื่องพูดคุยนะกับเพื่อนบ้านโดยเฉพาะเพื่อนบ้านที่เขาปลูกต้นไม้เหมือนกันบางคนมีปัญหาต้นไม้ไ ม, ม่โตมีแมลงมารบกวนอ้าวก็สอบถามเพื่อนบ้านหรือว่ามีเรื่องที่จะพูดคุยระบายให้เพื่อนบ้านฟังบางทีคนในหมู่บ้านและแวกบ้านใจตรงกันคอตรงกันก็ พูดคุยกันเรื่องต้นไม้นาะนาชนิดแบ่งกันแลกกันอันนี้ก็พอทำได้ในช่วงล็อกดาวนะ์นะเพราะว่าไปที่ไกลๆลำบากแต่ว่าในระแวกบ้านนี้มันทำได้มีเรื่องพูดคุยกับเพื่อนบ้านนะก็เกิดการพบปะสังสรรค์มันก็ทำให้อ่เกิดความสุขเกิดความผ่อนคลายขึ้น อย่างที่บอกไว้แล้วเนี่ยว่าความสัมพันธ์เนี่ยนะการมีมิตรการเกิดมิตรภาพนี่มันเป็นบอกเกิดแห่งความสุขและยังเป็นโอกาสได้สัมผัสกับธรรมชาติหลายคนเนี่ยเขาก็เห็นธรรมชาติอยู่ห่างๆนะต้นไม้ดอกไม้เห็นอยู่ห่างๆนะแต่ว่าไม่ค่อยได้มีเวลาไปสัมผัสเพราะว่ามีอะไรทําเยอะแยะไปหมด โดยเพราะงานการแล้วก็แทนมาอยู่บ้านด้วยแต่พออยู่บ้านนานๆตลอดยีบสีชั่วโมงนะแล้วก็ได้ลงมือไปสัมผัสกับธรรมชาติก็รู้สึกถึงความเชื่อมโยงแล้วก็รู้สึกได้ถึงเสน่ห์ของธรรมชาติมันไม่ใช่แค่ได้สัมผัสกับต้นไม้ดอกไม้ยังได้สัมผัสรับรู้ธรรมชาติส่วนอื่นด้วยเช่นนกนะตะกอนนก ร้องยังไงก็ไม่สนใจนกบินไปบินมาก็ไม่รับรู้แต่ตอนนี้พอมาสนใจเรื่องทําสวนก็เริ่มสัมผัสนะกับธรรมชาติส่วนอื่นๆนกก็รอกบางทีรวมไปถึงท้องฟ้าและเมฆพอจิตใจได้สัมผัสช่วงกับธรรมชาติเนี่ยจิตใจก็ผ่อนก็มีความสุขนะความสุขเล็กๆความสงบเย็นและ ที่หลายคนพบอีกอย่างนึงคือว่ามันได้ออกกำลังกายนะได้ยืดเส้นยืดสายมีเงือเพราะมันดีมากเลยนะหลายคนนี่แทบจะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายแต่พอได้มาปลูกต้นไม้ได้ทำสวนออกกำลังกายมีเงือก็ ร, รู้สึกดีขึ้นเพราะว่าทำทุกวันทุกวันทุกวันมันเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับสุขภาพร่างกายอันนี้เป็นอันที่สงที่หลายคนได้พบจากการทาสวนปลูกต้นไม้ในช่วงโควิด แล้วก็เลยทําเป็นเรื่องเป็นราวทาทุกวันทุกวันเป็นกิจวัตรแล้วก็ชักชวนให้คนอื่นทําด้วยแล้วก็มีการซักถามในรายละเอียดเลยนะว่าการปลูกตาา้นไม้ทําสวนนี่มันก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาอย่างไรหลายคนก็บอกว่าเนี่ยในเวลาทําสวนนี่นะเหมือนเหมือนกับเข้าไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งเลยนะสวนนี่มันเป็นที่พักพิง หรืบางคนเริ่เป็นที่หลบภัยเพราะว่าเวลาทํางานทําการมีความเครียดไม่รู้จะสลัดความเครียดออกไปจากใจได้ยังไงแต่พอมาทําสวนนี่มันเหมือนกับลืมลืมงานการหรือว่าลืมโลกที่วุ่นวายไม่ว่าจะเป็นโลกภายในครอบครัวเรื่องคู่ครองเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องงานการหรือแม้กระทั่ง ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกความไม่แน่นอนของโรคโควิดที่แพร่ระบาดพวกนี้พอไปรับร่ว ม, ม้วมากๆก็เครียดแต่ว่าพอมาปลูกต้นไม้ทำสวนมันลืมเลยนะมันวางได้นี่เราเป็นวิธีการปล่อยวางแบบง่ายๆนะคือหันมาจดจ่ออยู่กับการทำสวนกับปกต้นไม้ยิ่งเห็นต้นไม้นี่มันแจเ่เลย ง, งอก ง, งาม ผลิในะบเขียวออกดอกสวยงามใจิตใจที่รู้สึกข่อเหี่ยวเครียดนะพอเจอดอกไม้นะชูช่อสวยงามเนี่ยมันก็เกิดความเบิกบานขึ้นในใจนะเกิดความสดชื่นเรียกว่านอกจากลืมโลกที่เครียดที่ว้าวุ่นที่ไม่แน่นอนมาอยู่กับโลกที่มันสงบนะ พอจะมีความแน่นอนอยู่บ้างนะและแถมยังได้เจอพบแผ็นสิ่งงดงามนะเพราะคนเราก็มีธรรมชาติที่ผูกพันกับสีเขียวของใบไม้แล้วก็สีหลากหลายของดอกไม้อยู่แล้ ว, วก็เหมือนกับว่าได้ไปอยู่อีกโ่องหนึ่งที่มันสบายที่มันผ่อนคลายอันนี้ก็เป็นสเสน่ห์ที่หลายคนนะพบว่าว่ามันดีมากเลยนอกนอนจากการที่ได้มีโอกาส นะกช็ชอบความสัมพันธ์บางทีไม่ต้องสัมพันธ์กับใครใ น, ในสัมพันธ์ในครอบครัวนี่แหละชวนคนรักสามีภรรยาลูกมาปลูกต้นไม้ด้วยกันหรือไม่ปลูกต้นไม้ก็ลดน้ำมันมีกิจกรรมร่วมกันทํานะออมันก็ทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้นแล้วก็บางทีก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนบ้านเรื่องต้นไม้นะเรื่องสวนแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะ บางทีก็แรกดอกไม้กันแรกมเมล็ดพันธุ์กันมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกผาสุขขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นสเสน่ห์ที่ทำให้คนเนี่ยปลูกต้นไม้ทำสวนกันมากขึ้นซึ่งที่จริงแล้วไม่ต้องรอให้โควิดนะมันมาบีบคั้นนะถึงแม้โควิดมันจะคลี่คลายไปแล้วระบาดนา้อยลงแต่ว่าถ้าคนเราเนี่ยยังไม่ทิ้งการ สัมผัสกับธรรมชาติโดยการปลูกต้นไม้ทำสวนเนี่ยมันก็ทำให้จิตใจเนี่ยชื่นบานนะเป็นการเติมกำลังให้กับจิตใจนะแล้วเราก็คันเหตุกันก็เป็นการออกกำลังกายให้กับร่างกายด้วยนะถึงแม้ไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่หน้าบ้านแต่ว่าไปปลูกตามที่สาธารณะก็ได้นะอย่างดาบตารวจวิชัยนี่ก็ไม่มีที่นะปลูกต้นไม้ก็ไปปลูกตามริมถนนริมทางด่วนริมทางอ่ ทางหลวงนะบางทีก็เป็นทางในตำบล ก, ก็มีความสุขได้เพราะว่าเห็นต้นไม้แล้วก็จิตใจก็ชื่นบาน